ในการบรรยายครั้งที่สามนี่ยังต้องบรรยายเกี่ยวกับความรู้รอบตัวของอานาปานสติต่อไปครั้งหนึ่งก่อนอีกครั้งหนึ่งอีกเพราะว่าจะต้องบรรยาย การปฏิบัติโดยตรงในหมวดที่หนึ่งกับพระภิกษุที่เขาจะเริ่มการอบรมในวันพรุ่งนี้มันเหมือนกันจึงไม่สามารถจะทำส อ, องอย่างซ้อนกันเหมือนกันสองอย่างได้วันนี้จึงไม่บรรยายการปฏิบัติโดยตรงเกีย่ยวกับอนนาปานสติหมวดที่หนึ่งยังไม่บรรยาย ขอพูดเรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับอนาปานสติในชั้นลึกหรือพิเศษออกไปอีกสักครั้งหนึ่งก่อนซึ่งจะเรียกว่าข้อเร่นรับเกี่ยวกับอนาปานสติมาคอยตั้งใจฟังให้ดีว่าพรุ่งนี้จะบรรยายพร้อมกันทั้งแก่ ภิกษุและแก่ท่านทั้งหลายในการปฏิบัติโดยทรงหมวดหนึ่งเื่อข้อเรียนลับนี้ก็มีหลายอย่างที่ควรทราบทราบแล้วก็มีประโยชน์ <c oughs> บางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิแบบนี้ ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่เป็นไสยศาสตร์ไม่เป็นของคลั้งของศักดิ์สิทธิ์เนื้อเหตุผลอะไรไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไสยศาสตร์ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์หรือมันเป็นพุทธศาสตร์ศสนาไสยแปลว่าหลับพุทธะแปลว่าตื่นเราจะต้องกระทำกันอย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องของคนตื่นไม่ใช่คนหลับ ไสยะแปลว่าหลับเป็นเรื่องของคนหลับคือไม่ต้องมีเหตุผลจะงมงายกันเท่าไรก็ได้แลจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่มันเป็นสิ่งที่ควรทราบเพราะว่ามีบางหมู่บางคณะเขาทำอย่างกะสยะสาศาสตร์ต้องจุดทูปจุดเทียน ทำพิธีรีตองบูชาอ้อนว อ, อนขอร้องไห้มาโปรดให้มาช่วยให้สำเร็จโดยเร็วข้ข้างโบราณเขาก็ทำกันเหมือนกันลักษณะอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพคนสมัยแรกที่จะทำอย่างนั้นขออย่าไ้คิดไปในแง่ของวิทยาศาสตร์จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วย ให้สำเร็จนี้ไม่ต้องทำมันถูกท ำ, กทำกมันตรงมันก็ได้ได้ได้ผลทันทีในลักษณะที่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งหากแต่มันไม่ใช่ทางวัตถุมันเป็นเรื่องทางจิตใจแต่วิธีการก็มันก็อย่างเดียวกันคือต้องทำโดยเหตุผลโดยความถูกต้องโดยพิสูจน์คน้นคว้าทดลองจนพบไปความสำเร็จประโยชน์ นี่ยขออย่าเลยเอาเรื่องของศยศาสตร์เข้ามาปะปนอย่าไปคิดแม่แต่ว่าเป็นเรื่องคลัง่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์ไม่ต้องมี <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ทําตามธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาติแล้วความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองอย่าเอาความหมายของศยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทีนี้ก็อยากจะให้ทราบถึงประวัติเรียกว่าประวัติกันแล้วกันของไอง้การกระทาที่เรียกว่าอานาปานสตินี่ป็นองมีมาแต่ดึกดำบันจนไม่รู้ว่าครั้งไหนก่อนพระพุทธเจ้าการนานไกล <c oughs> เขาก็รู้วิธีที่จะจัดการกับลมหายใจ <c oughs> ให้เป็นประโยชน์ที่สุด <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าปานะหายใจเข้าอาปานะหายใจออกไอ้ปานะปานะคำนี้เป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าปราณ พานะเป็นบาลีปราณเป็นสันสกฤตเรื่องเกี่ยวกับปราณเนี่ยเขารู้กันมานานแล้วแล้วก็เกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาในหมู่คนเหล่านั้นว่ามันเป็นตัวชีวิตชีวิตจริงๆ ก, กับปราณชีวิตของธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยแล้วเราก็สู้ท้ายใจเข้าไป หายใจชีวิตต่อไปเนี่ยก็คือไปเพิม่มชีวิตหรือทำให้ชีวิตสดชื่นแข้มแข็งเมื่อถูกวิธีดูดูมันก็น่าหัวหมันคล้ายกับว่าเรารู้จักกันในสมัยนี้ว่าออกซิเจนเป็นาธาตุชนิดหนึ่งมันเป็นแก๊สชนิดหนึ่งที่ช่วยการหายใจช่วยให้ใหเกิด <c oughs> การบํารุงร่างกายอย่างดีถ้าสูดออกซิเจนเข้าไปมากอย่างนันก็ได้ผลดีแล้วก็มีวิธีสูดนี่ดูจะล่าหลังไลยคนสมัยโน้นเปน็นพันพันปีก็ได้พวกที่เขารู้กันแต่ครั้งก่อนโน้นในนามว่าปราณแล้วก็สอนกันในเรื่องจะสูดเข้าไปอย่างไรจะทําอย่างไรจะควบคุมอย่างไร ให้ได้ผลดีที่สุดให้มีกำลังมากที่สุดกระทั่งเป็นกำลังกับจิตใจมีกำลังกับจิตใจ <c oughs> ที่แรกมันก็จะเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับศาสน า, ศาเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่มนุษย์เ็รู้จักจะทำอย่างนั้นสบายดีสบายดีสบายบา ย, ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำกันมาต่อมามันก็ สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นศักดิ์ศร์กายศิ์เป็นฤทธิ์เป็นเดชไปก็ได้ถ้ า, าต่อมามาเป็น เ, เรื่องของศาสน า, ศามันก็หมดความเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเมื่อทำได้แล้วมันก็มีความเสื้อ ง, งบสงบกายสงบใจสงบทุกอย่างมี ร่างกายที่ดีมีระบบประสาทที่ดีมีจิตใจที่ดีแล้วก็เรียกกันอย่างนี้ว่าอานาปานสติ <c oughs> ความหมายของคำคานี้เห็นอยู่ที่ว่าถา้นนาระ <c oughs> ลึกหรือกำหนดอะไรก็ตามอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้น คุณอยู่ที่นี่คิดถึงบ้านที่กรุงเทพคิดอยู่ทุกหายใจเข้าออกตอนนั้นก็เรียกว่าคุณทำอนาปานสติเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าทำทุกครั้งที่หายใจเข้าออกจะกำหนดอะไรก็ได้กาหนดลมหายใจเองก็ได้กำหนดสิ่งอื่นก็ได้ถ้ามีการกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วมันก็เป็นอนาปานสติ ควรจะรู้จักกันเป็นอย่างดีที่สุดถึงคิดถึงคนรักทุกหายใจเข้าออกก็เป็นอาณาปานสติคิดถึงคนเกลียดศัตรูคู่อาฆาตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอาณาปานสติไม่ว่าจะคิดอะไรหรือกําหนดอะไรอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็เรียกว่าอาณาปานสติได้ทั้งนั้น แต่เจรินี้มันก็มาเป็นเรื่องทางศาสนาเรื่องทางดับทุกข์โดยพระพุทธเจ้าท่านปรับปรุงขึ้นให้ถึงขนาดสูงสุดจนดับทุกข์กิเลสป้องกันกิเลสของมนุษย์ได้ในระบบของพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าอาณาปานสติ โดยทั่วไปในอินเดียเขาก็มีใช้กันทุกลทีล่แหละแม้จะแตกต่างกันโดยวิธีอะไรบ้างก็เรียกว่าการบังคับลมหายใจก็จเรียกว่าปรานายามะปราณอายามะเป็นปรานายามะการควบคุมบังคับปราณ <c oughs> ปราณคือลมหายใจนัดที่อื่นก็มีใช้แต่ก็ใช้ไปโดย หลักการหรือวิธีการของของเขาแล้วแต่เขาต้องการอะไรความมุ่งหมายก็คกล้ๆกันเพื่อจะดับทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เรามีแบบของเราที่สมบูรณ์แบบตามที่พระพุทธเจ้ากำหนดไวแ้แหละสอนว้พระพุทธเจ้าเองก็จะได้ศึกษามาจากที่ก็มีอยู่ในเวลานั้นเป็นของธรรมดาสามัญประชาชนรู้จักคําคนหนุม ทั้งหลายก็จะงทำเป็นมันเกี่ยวกับไอ้ความสุขภาพอันานาไมริปปาติหานอะไรก็ตามพวกคนหนุ่มเหล่านั่นจะเป็นนักเลงหน่อย ก, ก็ยิ่งต้องการ <c oughs> ข้อความก็มีว่าพระพุทธเจ้านี่ทำอานาปานสติตั้งแต่เมื่ออายุเจ็ดขวบแล้ <c oughs> พาไปในงานแรกนาขวัญประทับนั่งใต้ตนว่าจะเริยนอ า, น า, าณาปานสติ นะทำให้เงาของต้นไม้นะให้หยุดไม่หมุนไปทามไม่ไ ม, ไม่ไม่เคลื่อนไปตามแสงอาทิตย์ถึงขนาดนี้แล้วก็แปลว่ามันแพร่หลายมากนะพระพุทธเจ้าเข้าใจดีที่ทำได้ตั้งแต่เป็นเด็กๆเกมื่อตื่นแล้วก็ปรับปรุงขยับขยายมัสูงขึ้นไปสูงขึ้นไ ป, นไปตามความประสงค์มันจึงเกิดเป็นระบบอานาพานสติชนิดที่เรากำลังจะปฏิบัติกันอยู่หรือทาความเข้าใจกันอยู่ แยกเป็นสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นเป็นสิบหกขั้นด้วยการสมบูรณ์แบบที่สุดนี่เรีนอนาอาณาปานสติในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่ศิศาสตร์มีหลักกา ร, รวิธีการอย่างเดียวกับวิทยาศาสตร์หากแต่ว่าเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้ เพื่อความถูกต้องหรือไม่หลงทางทีนี้เห็นมันมีพิเศษที่ว่าอาณาปานสตินี้ได้เปรียบตรงที่ไม่ต้องการอะไรนอกออกไปจากจากตัวมีทุกอย่างครอมอยู่ในตัวที่จะใช้ปฏิบัติศรรึกษาถ้ากรรมฐานแบบอื่นนั้นมันต้องการอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็มี แล้วก็นอกอยู่นอกไปจากตัวบางทีต้องเที่ยวหอบเที่ยวหิ้วไปก็ไม่ดีนี่ไม่ต้องมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวจึงก็รู้อยู่แล้วว่าลมหายใจนอย่างหนึ่งเอเวทนาความรู้สึกนี่อย่างจิตนอย่างหนึ่งก็ธรรมะที่ศึกษาออกจากสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างมันล้วนมีอยู่ในตัวไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมไม่ต้องเที่ยวหอบเที่ยวหิว้วให้รุงรัง เราทำที่ไหนก็ได้เราเดินไปที่ตรงไหนมันก็พร้อมที่จะทำที่ตรงนั้นนะไม่ต้องพิเศษในเรื่องหาสถานที่อนะไรไปนั่งอยลงที่ตรงไหนมันก็พร้อมที่จะทำที่ตรงนั้นอนะนี่เรียกว่าไม่กำจัดไม่จำกัดสถานที่ไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรต่างๆมันก็ทำกระสีก็ต้องเที่ยวหอบดวงกระส้พวกเช็ดดิน้มันก็มีบริขารมากในการทำ สมาธิภาวนาตามแบบของเขายังมีบริขารมากเครื่องประกอบมากนี่เราไม่ต้องอย่างนั้นไม่ต้องอย่างนั้นแต่ว่าจะทำชนิดที่คน้คนค้นคว้าสังเกตศึกษาจากข้างในจะเป็นรีเสิร์ชก็ได้เป็นเอ็กซ์เพริเมนต์ก็ได้มันค้นมันคนมันคว้ามันคั้นออกมา ข้นคะข้นขั้รู้ความจริงออกมาจากข้างในคือภายในจิตใจออกมาจากภายในทั้งสิ้นนี่คอยรู้ว่าเราพร้อมฮลพร้อมแล้วที่จะค้นจะคิดจะแข็นจะเน่นแล้วก็ตามออกมาจากภายในคือให้รู้ความจริงออกมาจากภายในนี่ก็ควรจะเข้าใจไว้ จะได้แน่ใจจะได้เบาใจมันจะได้ง่ายขึ้นอีกมากทีนี้อาณาปานสตินี่มุ่งหมายนิพพานคนสุดท้ายคื อ, อนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายของพุทธศาสนาการทำอาณาปานสตสิมุ่งหมายที่นั่น จะเป็นนิพพานชั่วคราวเป็นนิพุ ต, ติชั่วเวลาที่ออในบ้านในเรือนตามธรรมดานี่ก็ได้นิพพานจริงเป็นพระอรหันต์ก็ได้เราทำอนาปานสติเนี่ยเพื่อบรรลุจุดสูงสุดจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาหรือว่า เพื่อความสะอาดสว่างสงบซึ่งเป็นความหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้คอยรู้จักว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหัวใจเหมือนกันเลยมีความสะอาดจากกิเลสสงบจากความทุกข์แล้วก็สว่างจากอวิชชาความโง่พระพุทธท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านสอนความเป็นอย่างนั้นให้ผู้อื่นคือพระธรรมและพระสงฆ์ปฏิบัติได้ก็เป็นอย่างนั้นไง หัวใจพระพุทธหัวใจพระธรรมหัวใจพระสงฆ์เมือนกันคือมีความสะอาดสว่างสงบอานาปานสติก็มุ่งหมายอย่างนั้นมุ่งหมาย่จะถึงความสะอาดสว่างสงบเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมพระสงฆ์โดยหัวใจนักที่หน้าหัวก็ว่า ไม่ต้องลงทุนซื้อหาเป็นเงินเป็นทองมันได้มาเปล่าๆตามความหมายของคำว่านิพพานนะนิพพานให้เปล่าไม่ต้องลงทุนซื้อปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ได้มาเปล่าๆของอะไรๆที่เรามีต้องไปซื้อไปหามาต้องลงทุนซื้อแต่นิพพานเนี่ยไม่ต้องซื้อคือเป็นของให้เปล่าให้ฟรีนี่จะว่า จะต้องสละออกไปสละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานออกไปออกไปออกไปจนไม่มีอปาทาน เ, เหลือก็ไม่มีกิเลสก็ไม่มีทุกข์ขอให้ตั้งใจให้มันถูกต็มเหมือนนิพพานนี้ให้เปล่าเอาแล้วคุณจะเรียกว่าลงทุนก็ได้ลงทุนในอานาปานะสติมันเหนื่อยบ้างหรือเสียเวลาบ้างแต่ก็ยังเียว่าให้เปล่าเนั้นแหละ ถือ ว, ว่ามันมีความหมายกันอย่างนี้เราจะได้กำไรให้กาไรล้วนไปทางลงทุนมันลงทุนเท่าที่มีอยู่แล้วเท่าที่มันมีอยู่แล้วชีวิตต่งลงทุนอยู่ในตัวแล้วมันก็เป็นชีวิตธรรมดาอยู่แล้ว สีมทับลงไปในการกระทำที่มันจะได้กำไรมหาศาลออกมาเป็นมรรคผลนิพพาน <c oughs> ทีนี้ที่ควรจะทราบไว้เสียเลยก็ว่า ม, มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทท่านก็เคยศึกษามาแล้วเรื่องอริยสัจนี่เขา้าใจมาเคยอ่านกันมาแล้วเรื่องอริยสัจ ทุกข์สมุทัยนิโรธมากทุกข์คือความทนทรมานสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็ น, นิโรธนิโรธดับเหตุนั้นเสียแล้วก็มรรคันก็ได้เป็นการเป็นอยู่หรือเป็นการปฏิบัติไปเป็นเช่นนั้นดับทุกข์เสียแล้วก็มีวิธีที่จะดับทุกข์นั้นเรียกว่ามรรค อนาปานสติเนี่ยเป็นตัวดับทุกข์หรือเป็นมักอยู่ในตัวสรุปสั้นที่สุดเหลือแต่สมาธิกับปัญญาศีลแฝงตัวอยู่ในนั่นโดยไม่ต้องแสดงหน้าตาอะไรออกมาถ้าทำอนาปานสติได้มันก็ปิดกันจจ้นกิเลสตัณหาได้ ให้หรือจะให้ชัดลงไปก็ว่าจะสะกัดกระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ปรุงไปในทางที่จะเป็นทุกข์แต่ปรุงไปในทางที่จะดับทุกข์เพราะว่ามันมีสติมาเนี่ยได้ได้สติมาจากการปฏิบัติเอาสติมาควบคุมผัสสะผัสสะเมื่อมีผัสสะ ในชีวิตประจำวันเนีฮะเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจสำหรับรู้สึกภายนอกมีห้าภายในมีหนึ่งพอสัมผัส ด, ด้วยอายตนะนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือโง่ไปในตอนนั้นแล้วมันปรุงไปทางเป็นทุกข์หัดสา้เกิดเวทนาโ ง, โง่โง่ที่น่ารักก็หลงรักที่น่า เกลียดก็หลงเกลียดที่เป็นสุขก็หลงรักที่เป็นทุกข์ก็หลงเกลียดนี่มันก็เกิด <c oughs> ตัณหาบาทานถ้ามีสติต้องที่พัสสะไม่เกิดเวทนาโง่ๆอย่างนั้นมันรู้ดีว่าสักว่าเวทนามันไม่หลงไหลยนะในเวทนาเทียมไม่จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ไม่เกิดกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดทุกข์ กระแปฏิจจสมบูรณก็เอียงไปทางดับทุกข์ไม่เป็นทุกข์เพื่อช่วยให้เรารู้จักวิธีที่จะอยู่เนื้ออิทธิพลของสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่มันเป็นบวกแหละเป็นลบมเรามีสติรู้สึกตัวไม่ไม่ไปหลงบวกหลงลบก็เช่นเดียวกับที่ว่าในพรรษานะไม่หลง มันก็ไม่หลงเวทนาซึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบนี่ควรจะมีไว้ให้มากเป็นเป็นเรื่องนอกออกไปก็ได้ไม่เกี่ยวกับคำว่าอนาพานสติเกี่ยวกับผู้ที่อยากจะมีชีวิตเนื้อบวกเนื้อลบไม่ต้องเป็นทุกข์ใมายึดถือบวกลบให้เป็นทุกข์เนื้อบวกเนื้อลบเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาป อย่างที่เรียกกันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ว่า o พสิ i v e หรือนักตีฟยุ่งทั้งนั้น p o s i พสิ e ก็ยุ่งไปตามแบบโพสิทีฟนกตีก็ยุ่งไปตามแบบแบบน a กต v e อยู่เนื้อจะดีกว่าจะ อ, อยู่เนื้อได้ก็เพราะมีสติกันนั่นแหละมันจึงรู้เถอว่าอนาปานสตินี่ช่วยช่วยให้มีสติชนิดดี สามารถจะอยู่เนื้อบวกหรือเนื้อลบ <c oughs> จิตใจไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มองอะไรในแง่ร้า ย, รายหรือในแง่ดีจะมองอะไรในแง่ที่ว่าไม่ใช่ต้นมันว่างเปล่าไม่ต้องมองมันในแง่ร้า ย, ายไม่ต้องมองมันในแง่ดีมันยุ่งทั้งสองแง่นี่เป็นเหตุให้เราได้รับประโยชน์ สูงไปอย่างนี้ให้ที่นี่มันก็ยังสูงไปกว่านั่นอีกคืออานาปานสตินี่เมื่อเจริญอยู่จเจริญอยู่จเจริญอยู่นจะมองเห็นอนัตตาอนัตตาของสิ่งทั้งปวงซึ่งไม่ควรยึดมัน่นถือมันว่าเป็นตัวตนเรื่องนี้เป็นหัวใจของความรู้ทั้งหมดของพุทธศาสนาคือเห็นอนัตตา มันไม่ใช่ตัวตนมันจะมีตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตนตัวตนโดยสมมติเรื่องนี้จำว่าเป็นหลักว่าไอ้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนไม่ใช่ตัวตนมันถูกต้องมีตัวตนมันหลงยึดติดมากไม่มีตัวตนอะไรเส้นเลยมันก็มันก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยมันก็ไม่ดับทุกข์อะไรได้แต่ว่ามีตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนนี้มันอยู่ตรงกลาง ครั้งนี้มันมีตัวตนครั้งนี้มันไม่มีตัวตนตรงกลางมีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนนี่เรียกว่าอนัตตาอนัตตาเห็นอนัตตาแล้วมันไม่เกิดการปรุงแต่งที่เป็นกิเลสไม่มีความโลกความเกิดความหลงเกิดขึ้นได้เราต้องการเห็นอนัตตาอย่างละเอียด ท, ที่ลึกอย่างที่ลึกเราเห็นผิวๆเนียมันมันไม่พอเห็นให้ลึกจนไม่เกิดความยึดมัน่นถือมัน่น <c oughs> นับตั้งแต่อนาปานาัสสิขั้นที่หนึ่งเห็นลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นก็ อ, ก อ, อนัตตาลมหายใจจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรก็อนัตตามจะสงบลงไปก็อนัตตา เวทนาเป็นปีติก็ดีเป็นจุก็ดีก็เป็นอนัตตาจะเห็นเป็นอนัตตาได้ทุกข้อทุกขั้นทั้งสี่หกขั้นแล้ยังจะเห็นว่าในสรุปหมวดเป็นหมวดหมวดแล้วยิ่งเห็นชัดเลยทั้งหมวดออกมาพิจารณาแล้วกายเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาธรรมะเป็นอนัตตา หน้าปานสติมีประโยชน์สูงสุดช่วยได้มากที่สุดในการที่จะให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าอนัตต า, าเห็นอนัตตานะคือเห็นธรรมะเห็นความจริงในพระพุทธศาสนาทําให้กลายจากบุตุชนเป็นพระอริยเจ้ า, าเห็นอนัตตามากขึ้นไปก็เลื่อนเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงขึ้นไป เห็นอนัตตาในระดับหนึ่งก็เป็นโสดาบันนี่มากขึ้นไปอีกก็เป็นสักกิทาคามีนี่มากขึ้นไปอีกก็เป็นอนาคามีเ็นเหี่มากขึ้นไปอีกก็เป็นอรหรันต์การเห็นอนัตตานี่มันพิเศษอย่างนี้คือถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง <c oughs> <c oughs> เห็นอนัตตาชัดเจนชัดเจน เราจะศึกษาฝึกฝนการเห็นอนัตตาอย่างละเอียดทียิบไปทีละขั้นละขั้นบางพวกก็สอนเห็นเห็นไปเพียงนามาลูปนามาลูปไม่ใช่ตัวตนก็ได้เหมือนกันแต่สู้เห็นเป็นอนัตตาซะเลยไม่ได้เพรานามมารูปก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเห็นในความหมายของการเป็นอนัตตาจะประเสริฐที่สุด มันก็มีเบื้องต้นก่อนเห็นก็เคยเห็นอันนี้จังท like ุกขังนี well, like ่คงจะได้เคยได้ยินกันมาแล้วทั้งนั้นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาสามคำนี้แพร่หลายมากก็ควรจะศึกษาว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรเห็นอันนี้จังก็คือเห็นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยรั้งไม่อยู่ที่ความที่มันไม่ฟังเสียงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนี่ยมันจึงเกิดปัญหา คือความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเปลี่ยนแปลงเล้ื่อยที่ต่อต้านมันไม่ไหวแต่มันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังที่ต่อต้านมันไม่ไหวนั่นคือความเป็นอนต า, าชั้นต้นที่เห็นได้ง่ายง่ายเด็กๆก็อจะมองเห็นละไห้ให้เห็นลึกลงไปลึกลงไปจนแต่ว่ามันไม่ใช่จัตนไม่ใช่วิญญาณเจตจะพู ด, ดอย่างที่เข้าใจกัน นอกพุทธศาสนาไปก็มีอนัตต์มีอัตตาอัตตาที่เรียกว่าตัวตนเรียกเป็นอัตมันก็มีในภาษาสันสกฤตเรียกว่าเจตพูดก็มีเรียกว่าวิญญาณก็มีเรียกวิ บ, บุรุษก็มีหลายหลายชื่อแต่ความหมายก็คืออัตตาพวกฮินดูพวกพราหมณ์ก็มาสอนกันอย่างนี้แล้วมาสอนไว้ในหมู่คนไทยเราก่อนพุทธศาสนามา ยังเหลืออยู่เป็นอัตตาเป็นชนิดเจตพูดเวียนว่ายตายเกิดข้าวๆออกออกกับร่างกายนี่นั่นก็มีนั่นมาจากพุทธศาสนาแต่มาปนกันจนแยกกันไม่ออกแล้วแล้วถือก็เหียงนั้นเดี๋ยวนี้มารู้กันจะใหม่ศึกษาหน้าปานสถิติดีรู้ไม่มีอัตตาชนิดนั่นก็ไม่มีจิตที่มันคิดนึกได้แล้วมันทําอะไรได้ตามธรรมชาติของจิตกับร่างกายที่มันอยู่ใต้อำนาจของจิตจิตใช้ทําอะไรก็ทําได้ คิดนึ ก, กันได้รู้สึกกันได้โดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาถ้าเป็นอย่างลัทธินู้ก็มีอัตตานะมีอัตตานะคือตัวตนตัวตนตวตวตวเขตพูดวิญญาณอะไรก็แล้วแต่แหละชื่อชื่ อ, อหลายชื่อแต่ตัวเดียวกันะสําหรับจะเข้ามาสิงในในชีวิตนี้เขาชีวิตแต่พอร่างกายนี้ตายก็ไปหาที่สิงใหม่ตายใหม่ไปพบหน้าใหม่ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ก็เข้าเข้ า, ขาออกออก อย่างที่เขาพูดเด็กๆงงคืเขานอนหลับนี่อัตตาไอเจตพูดหนึ่งออกไปเที่ยวกลับมาตื่น จ, จริงจะจะจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะรู้สึกเหมือนอย่างเดิมอีกจริงจะตื่นถ้าเ จ, จะพูดไม่กลับมาก็ตื่นไม่ได้เจตพูดก็ออกไปเที่ยวเวลาหลับนี่ไม่เรื่องพูดนี่ไม่ใช่พูดแต่ก็มีพูดมีสอนกันอยู่แต่ดึกแต่โบราณนีนหมู่คนไทยที่ถือพุทธ อย่างคนเป็นคนฮินดูคนแก่คนท่าว่าถธอกันอย่างนี้หนังสือธรรมะและม้มยุค ก, ก่อนก่อนนู้นก็เคยพูดอย่างนี้นี้พูดว่าเจตพูดนี่ยออกมาทําหน้าที่เห็นทางตาเห็นด้วยตาออกมาทําหน้าที่ฟังทางหูออกมาทําหน้าที่กลิ่นทางดมกลิ่นทางจมูกมารู้รสทางลิ้นมาสัมผัสผิวหนังทางกายนี่ก็แต่เจตพูดออกมาทำํำอย่างนี้ในพุทธศาสนาไม่มีไม่มี มันรู้ได้โดยภัสสะโดยระบบประสาทโดยที่เขา ม, มันมีอยู่ตามธรรมชาติในตัวมันเองไม่มีเจตพูดชนิดนั้น่พวกนั้นมีอัตตาอย่างนั้นเราก็ไม่มีอัตตาอย่างนั้นนี่สิ่งที่ทำอะไรได้แต่ไม่ใช่อัตตาเนี่ยช่วยให้รู้จักสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าสังเกตให้ดีนี่บอกไว้ลงหน้าเลยนะ ถ้าตังเกตให้ดีทุกขั้นตอนที่ทําอนาปานสสติจะเข้าใจเรื่องนี้จะมองเห็นสิ่งนี้ว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เจตพูดไม่ใช่วิญญาณอัตตาอนะไรไหนนี่เตรียมกลัวไว้เขาจะรู้สึกอย่างนี้ทุกขั้นตอนที่จะทําอานาปานาสติต่อไปนี่ประโยชน์นี้มันสูงสุดนะ่ะที่จะทําให้ได้ความรู้เรื่องอนัณฑะอัตฑะ ข้อต่อไปที่อยากให้ทราบเป็นความรู้ว่าเป็นสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติอานาปานสติอย่างที่เราจะปฏิบัติกันเป็นสติปัฏฐานที่แท้จริงแต่ถูกมองข้ามด้วยเหตุอะไรก็เหลือที่จะกล่าวแหละในสมัยนี้ ไปเอาสติปัฏฐานอย่างอื่นอย่างเพ้ออย่างมากมายในมหาสติปัฏฐานนะสูตรมากมายมหาสาลไม่รวบรัมอย่างในอนาปานสตินี่ <c oughs> ที่เขาพูดกันว่าทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานเรียกชื่อนี้ทำอย่างอื่นก็มีในที่กรุงเทพหรือที่ไหนที่จังหวัดไหนก็มี จังหวัดเรียกว่าสติปัฏฐานแต่ไม่ได้เอาอนาปานสติที่นี้เขา ย, ยืนยันเฉพาะอานาปานสติว่าเป็นสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์พระพุทธเจ้าตรัสว่ชัดๆว่าเมื่อานาปานสติอสมบูรณ์คือสมบูรณ์ทั้งสี่หมวดหรือทั้งสิบหกขั้นสติปัฏฐานสี่ก็จะสมบูรณ์ สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์โพชฌงกก็จะสมบูรณ์อริยมรรคโพชฌงสมบูรณ์อริยมรรคก็สมบูรณ์แล้วก็บันลุมัคคุณเราถือเอาสติปัฏฐานแบบอนาปานาสติไม่ยืนเยอะอะไรเพียงสีห่หมวดหมวดละสี่ขั้นแล้วก็เป็นสิบหกขั้น <c oughs> นี่ก็บอกให้รู้ไว้ด้วยว่า อานาปานาสติเป็นตัวสติปัฏฐานแท้แต่บางพวกก็ไม่ยอมรับเขาไปสติปัฏฐานแบบที่มหาศาลเพ้อเหลือประมาณน่ะที่เรียวกว่ามหาสติปัฏฐานก็ยึดถือกันอย่างนั้นเราไม่ไปเทียงกันแล้วถูกผิดยังไงแต่เดี๋ยวนี้จะขอยืนยันว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านแนะนําพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตก็อยู่ในอานาปานาสติ เมื่ออยู่ในอาปานาสติเป็นวิหารเครื่องอยู่ก็ได้ได้ได้จั ด, ด, ดสรุรอจัสรุอนัตตระสมามธิโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานแบบอาณาปานสตินี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำแล้วก็ทรงยืนยันว่าพระองค์เองก็ใช้วิธีนี้จนได้เห็นสาเร็จประโยชน์ในการจัดสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าอาจจะมีคนถามเราเราตอบไปเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็จะหาว่าผิดเขาบอกไม่ไ ม, ไม่ต้องไ ม, ไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องเดืยดไม่ร้อนใจอะไรเขายืนยันสติปัฏฐานแบบอนนาปานสติว่าถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ ที่นี่ก็จะอยากนัดถึงความพิเศษหรืออานิสงส์พิเศษหรือความหมายพิเศษเมื่อเราได้ฝึกการหายใจตามอานาปานาสติสิบหกขั้นแล้วสำเร็จแล้วนะฝึกสำเร็จแล้วนะจะกลายเป็นมีมีสิ่งพิเศษมีเครื่องมือพิเศษนะป้องกันทุกข์ปัดเป่าทุกข์ขับไล่ความทุกข์ จนพูดสรุปว่าหายใจทีเดียวความทุกข์กมมอยู่ออกไปหมดไม่มีเหลือหายใจทีเดียวป้องกันความทุกข์โดยโดยสินเชิง <c oughs> ก็นึกถึงอารมณ์ร้ายที่เราเคยพูดกันเมื่อคืนก่อนอารมณ์ร้ายๆนะความรักก็ดีความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความกลัวก็ดี ความตื่นเต้นก็ดีความวิตกกังวลก็ดีความอาลัยอาวรณ์ก็ดีความอิจฉาทิษยาก็ดีความหวงความหึงก็ดีกลุ่มกลัดอยู่ในจิตใจถ้าทาอนาปานสีสําเร็จก็ไล่มันออกไปเสียได้โดยการหายใจเพียงครั้งเดียวก <laughs> <laughs> ารหายใจที่ถูกต้องมีมีมีผลลัพธ์อย่างนี้ที่จริงตามธรรมดาการหายใจยาวหายใจละเอียด นี่มันก็ขจัดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแม่ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอนาปานาสติ <c oughs> ตามธรรมชาติคนเราเนี่ยทั่วไปโดยเฉพาะเด็กๆ เ, เพราะมันขัดใจอึดอะไรขึ้นมามันก็ถอนหายใจยาวถอนหายใจใหญ่ถอนหายใจเฮือกเยอกหนึ่งเลยหลังจากนั้นก็สบายก็สบายน่ะอานาปานาสติโดยไม่รู้สึกตัว การหายใจพิเศษขับลลยอารมณ์ร้ายออกไปหมดเดี๋ยวนี้พิเศษกว่านั้นพระอบรมกันมากกว่านั้นอบรมสูงสุดกว่านั้นหายใจทีเดียวอารมณ์ร้ายรายออกไปหมดนี่หมายถึงมาทำได้สำเร็จนะมอทำไม่ได้สาเร็จมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันกน็หายใจทีเดียวมัไม่ไล่ไปได้ต้องต่อสู้กันหลายที เก่งสามารถถึงที่สุดแล้วเราสามารถที่จะหายใจทีเดียวอารมณ์ร้ายออกไปหมดความทุกโศกออกไปหมดความหมุนมองออกไปหมดดีกว่านั้นอีกก็ห า, ายใจทีเดียวความคิดแจ่มใสความคิดที่มืดมัวไม่แจ่มใสแจ่มใสคิดนึกอะไรไม่ค่อยออกอึดอขัดใจหายใจทีเดียวใจโล่งคิดออกสบายนี่ อาณาปานสติที่ถูกวิธีจะใช้ได้ถึงขนาดนี้ความจําที่นึกไม่ออกทำให้นึกออกการอึดอัดขัดใจทำใหหมดไปตัดสินใจอะไรไม่ค่อยจะถูกถ้าตัดสินใจได้ถูกก็จิตเป็นปกติฟองใสแจม่มใสอย่างยิ่งโดยการหายใจอย่างนี้เพราะการหายใจอย่างนี้มันขับไล่สิ่งมืดมัวหมุนมองเลวไร่ออกไปหมดนี่ เป็นจิตใจที่เกลี้ยงเป็นจิตใจที่เยือกเย็นเป็นจิตใจที่อิสระนี่ด้วยการหายใจครั้งเดียวนี่หมายถึงมาทำได้ทำทำได้สาเร็จแล้วนะไม่ใช่เริ่มทำหงงงามอยู่นะมาทำได้เสร็จแล้วเราจะมีการหายใจสูงสุดอย่างนี้สารพัดนึกอำนาจสูงสุดเลย ที่ในภาษาภาษาฝรั่งมันเรียกกันว่า Almighty Almighty มีอิทธิฤทธ์ทุกชนิด Almighty จจะมีอาการอย่างนั้นขึ้นมามีการหายใจที่มีฤทธิ์มีเดชประหลาดมหัสัจจะป้องกันกิเลสก็ได้ขับไล่กิเลสก็ได้ขับไล่อารมณ์ร้ายก็ได้เสรียมจิตให้ของใส จะคิดนึกอะไรจะทำการทำงานอะไรก็ได้ดี <c oughs> จะขับไล่ความกโกรธก็ได้ไอคนขี้กโกรดนั่นใช่จำไว้เถอะถ้าเอาความโกรธออกจากจิตใจไม่ได้โมโหโทโสเ้าพลานจิตใจยอยู่เรื่อยรอกหายใจโดยวิธีอนาปาตสติไอคนที่ขี้อิจฉาริษยาก็เหมือนกันเพรามันเป็นกันมากนะลกอิษยา ขับไลยมันออกไปได้วยการหายใจอย่างถูกต้องตามวิธีอนาปานสติที่ทําได้จริงนี่มีประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ที่จะใช้ได้สารพัดนึกให้รอบตัวในชีวิตเอ้บ้านเรือนขจัดความทุกข์ออกไปได้ด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวเรียกความสุขเข้ามาได้ด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวแล้วคุณญยาอะไรอีกครับ จะหาว่า น, นี่โฆษณามากไปแล้วก็ตามใจก็ได้จะคิดอย่างนั้นก็ได้จะคอยลองดูคอยลองดูให้ทำไปให้สำเร็จเถอะมันจะจะเป็นไปอย่างที่ว่านี่ไล่อารมณ์ไล่หรือความทุกข์ออกไปได้เรียกอารมณ์ดีหรือความสงบเย็นแห่งจิตใจเข้ามาไล่ทันทีด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียว ยากลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องทำให้เป็นบ้ามีคนมาถามบ่อยว่าว่าทาอนาปานสติดโดยไม่ต้องมีอาจารย์พวกคุณเป็นบ้าใช่ไหมมบอก่ไม่ไม่นั่นมันเป็นพิเศษอย่างอื่นมันจะบ้าอยู่แล้วมันมาทำ มันจะบ้าอยู่แล้วคนนั้นอ่ะมันจะบ้าอยู่เองแล้วนี่ก็มามันก็ก็บ้าได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็มันจะมาทําอานาปานสติเพื่อมีฤทธิ์มีเดชเน่ะจะเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างนี้เป็นต้นมันจึงมาทําก็ตอนได้ยินเขาเล่ากันอยู่บ่อยๆไอ้มันทําแบบนี้มันมันก็เป็นคนขึ้นบ้ามาแล้วมันก็ทําทำทำ มันก็คิดว่าได้แล้วมันจะเหาะได้แล้วมันก็เปิดหน้าต่างกระโดดออกจะบินไปมันก็ตกลงแอ่นนอนแอ่ อ, อยู่ตรงนั้นอย่างนี้ก็เคยมีคนล่าฟังได้ยินทาให้ก่อนมีนี่มันจะบ้ามาแล้วมันจะบ้ามาจต่บ้านแล้วมาทำเข้ามันก็เป็นบ้าได้อย่ามีความคิดอย่างนั้นอย่ามีความหวังอย่างนั้นจะทาเพื่อดับกิเลสดับทุกข์อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีบ้า เจตนาจะให้ส ง, งบให้ส ง, งบอย่างเดียวไม่มีบ้าอย่าไปคิดจะห่อได้แล้ววุยอย่างไรแล้วนั่นแหะมันจะบ้าถ้ามันไม่ส ง, งบมันก็ไม่ส ง, งบเท่านั้นแหละมันก็มีเท่านั้นนหละมันคือไม่ส ง, งบทําจนให้มันส ง, งบให้ได้ไม่แจมไซด์ก็ทําจนแจมไซด์ขึ้นมาให้ได้อย่างนี้ไม่บ้าไม่ว่าจะไม่มีอาจารย์คอยควบคุม <c oughs> ก็ไม่บ้าล่ <c oughs> ะก็พุทธเจ้าท่าน ที่แรกใครเป็นอาจารย์ท่านหไม่ต้องมีใครเอาจารย์ควบคุมท่านท่าก็ทําได้ท่านก็สัสตว์ว่าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดไม่ต้องมีอาจารย์ควบคุมมันจะบอกตัวมันเอง ว, ว่าให้ใจยาวเ ส, สมอๆเอากาา็ไปเสมอให้ใจสั่ระงับก็าาระงับระงับถ้าไม่ระงับก็ก็ไม่ระงับก็ทํามันจนระ ง, งับมันจะบ้าได้อย่างไรเ <c oughs> ดีวนี้มันจะทําอานาปานสติเห็นเลขสามตัวนู่นแล้มันจะไม่บ้าทนหว มันจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรแล้วจะไปเจาหลอกคนนี่อย่างนี้มันจะบ้ากันทั้งทั้งสองฝ่ายบ้าอาณาปามันไม่ซื่อตรงมันเข้ามาปฏิบัติด้วยอำนาจของกิเลสเข้ามาปฏิบัติธรรมะให้ปฏิบัติธรรมะนี่มันเข้ามาปฏิบัติด้วยกิเลสไม่ใช่เข้ามาปฏิบัติ กจิตอันซื่อตรงต่อธรรมะฉันคิดว่ามีฤทธิ์เดชแล้วก็จะได้เปรียบจะห่อเฮินเดินอากาศแล้วก็จะหายตัวได้อย่างนี้เลยจะไปใช้เปรียบในทางหายสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามธรรมนะอย่างนี้บ้าสมน้ำหน้าไม่ต้องสงสยัยมีเจตนาบริสุทธิ์ตั้งใจทำ ทำไม่ได้ก็ทำต่อไปไม่ได้ก็ทำต่อไปจนมันได้นะก็ไม่มีบ้านี่อยากราะว่าจะเป็นบ้าเพราะการทำอนาปานสติเคยอ่านหนังสือใจภูมิพระร่วงแต่พบการกล่าวถึงอนาปานสตินี้เรื่อยๆไปเหมือนกันคข้าเจวันในยุคสมัยแต่หนังสือใจภูมิพระร่วงนี่ แล้ว เ, เข้าใจกันดีรู้จักกันดีว่าอนาปานาสตินี่ถูกต้องไม่ค่คยเอ่ยชื่อว่าสติปัฏฐานนะเอ่ยชื่อเป็นอนาปานาสติเลยเข้าใจว่าแพร่หลายและทากันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักเป็นฐานประจำเลยแต่แล้วมันค่อยหายหายหายไปสิเมื่อไรก็ไม่รู้พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้มันเหลือแต่สติปัฏฐานอนาปานาสติไม่รู้จัก ก็พูดกันในเรื่องอาสติปฐานแล้วก็ไปคว้าเอาสติปฐานเฟอร์ในสูตรยาวๆทีคณิกายมาไม่ไม่สนใจเรื่องอาณาปานะสติสูตรซึ่งเป็นสูตรสั้นๆที่เรามาใช้เป็นหลักสูตรนี่นี่พุทธบริษัทไทยเคยพอใจเคยรู้จักเคยปฏิบัติกันอย่างแค่หลาย ในอาณาปานาสติใ น, นสมัยสุโคไทยมันคงจะเปลี่ยนแปลงเ ร, เรื่อยมาจนถึงสมัยนี้บอกไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตรงไหนยุคไหนก็แต่ว่าพอมาถึงเดี๋ยวนี้มันยืนยันเห็นในชาติว่าโอ้โอนิยมสติปัฏฐานและแถมมาหาสติปัฏฐานไปด้วย <c oughs> เราไม่ต้องการนะเราเพียงสติปัฏฐานธรรมดาธรรมดา คืออนนาปาสติสติปัฐานคำนี้เข้าใจให้ดีๆมันเป็นการตั้งไหวซึ่งสติก็ได้เป็นบาดฐานแห่งสติก็ได้มีสติเป็นบาดฐานก็ได้ถ้าเราจะทำอะไรให้สูงขึ้นไปในทางปัญญาก็มีสติเป็นบาดฐานก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเรามาฝึกอย่างที่เราจะฝึกอย่างนี้ก็คือทำให้เกิดสติสติปัฏฐานนี่ทำให้เกิดสติเราจะใช้สติต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็ปฏิบัติปฏิบัตินี่เป็นเป็นเหตุให้เกิดสติก็เรียกว่าปัฏฐานะแห่งสติที่ตั้งแห่งสติก็ได้ความหมาย เล่านี้ไม่จะต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรใช้ได้ทั้งนั้นถ้าไม่เกิดสติขึ้นมาให้ใ ห, ให้สตินี่สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละจะํำเร็จประโยชน์ในสติสตินี่ธรรมดามก็มีตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อยมันไม่พอ แล้วไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่รวดเร็วเอามาฝึกกันเส้นใหม่ให้เข้มแข็งให้รวดเร็วให้รวดเร็วเร็วเหมือนกับฟ้าแรับนะเื็วเร็วเหมือนกับความเร็วแสงความเร็วไฟฟ้านะให้มันเร็วขนาดท่านนึกอึดอัดเดียวออกมาหมด สติโดยพื้นฐานนะั้นต้องมีถ้าไม่มีมันก็ตายแหละมันอยู่ไม่ได้นะมันทําอะไรไม่ได้มันต้องมีสติโดยพื้นฐานะที่ใจชีวิตรอดอยู่ได้จะเดินได้นั่งได้ยืนได้กินอาหารได้ทําทอะไรได้ก็โดยสติพื้นฐานะมันน้อยอย่างน้อยแต่มันก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติมันก็ไม่รู้จะกินข้าวทางปากหรือทางจมูกยุ่งไม่หย่มีสติที่จะให้ปกติ มีชีวิตปกติอย่างนี้มันก็มีแม้แต่สุนัขมันสัตว์เช่นสุนัขก็มีบ้างเหมือนกันแหละแต่มันไม่พอนี่เราเป็นมนุษย์ต้องมีมากกว่านั้นอืม <c oughs> นี่เราเป็นมนุษย์ที่ต้องการจะมีเอสันติภาพสันติสุขมากกว่านั้นก็ต้องเลยต้องฝึกสติให้มีมากกว่าเดิมต้องเรียกว่าหลายเท่าหรือหลายสิบเท่านะสติที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันก็พออยู่ได้เท่นั้น แต่จะเอาชนะความทุกข์ชนะกิเลสเป็นนิพพาะนะต้องเพิ่มมากกว่านั้นหลายเท่าทีเดียวเพื่จะใช้คำว่าหลายสิบเท่าก็ไม่ผิดสิ <c oughs> สติสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือความเป็นพระอรหันตุชนเราคนธรรมราสตินั้นไม่สมบูรณ์ลุ่มๆดอนดอคือมาช้ามาอึดอัด แต่พระเป็นพระอาหารหันต์สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ไม่ขาดตอนมันเป็นปกติวิสัยเสียเองเพราะความรู้บางอย่างมันทําให้ไม่ต้องการสติก็ไม่มันเห็นอนัตตาเสร็จแล้วมันเกิดกิเลสไม่ได้ก็ต้องไม่ไม่ต้องมีสติมาช่วยคัะอย่างนี้ก็เรียกว่าสติสมบูรณ์ได้เหมือนกันพระอาหารหันต์เป็นเชนนั้นถ้าเรามีสติสมบูรณ์มันก็ป้องกันได้ช่วยได้ แต่อย่าลืมว่าได้พูดกันคืนก่อนแล้วว่าสตินี่ต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กกับปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิไอ้สีเกลอ น, นั่นแหละสติไปค้นปัญญามากลายเป ร, รูปเป็นสัมปชัญญ ะ, ะเผชิญหน้ากับอารมณ์ที่เข้ามากระทบแล้วมีสติเพิ่มกำลังมากมากมาก ข่มอารมณ์ชนะอารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้ตามที่ต้องการเนี่ยสติที่ฝึกดีแล้วมันก็เป็นอย่างนี้รู้ด้ยปัญญาสูงสุดแล้วสติมันก็ชายน้อยเข้าเลยเพราะปัญญามันทําให้ไม่เกิดปัญหาแต่อย่าลืมว่าปัญญานี่ต้องมีสติค้นออกมาเสมอเราจะมีปัญญาความรู้เลิ่อลอยเท่าไรมันก็เก็บอยู่ในที่เก็บ่ะ ไม่มีอะไรเอาออกมาใชานะ้น่ะคือไม่มีสติเอาออกมาใชา้มีศาสตราวุธิเก็บไว้ไม่มีอาการออกมาใช้เพื่อทําลายศัตรูต่อสู้ศัตรูมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสะสมปัญญาว่ายพร้อมกันไปกับฝึกสติถ้า <c oughs> มันมีอารมณ์ร้ายอะไรเข้ามาก็ต่อสู้มันโดยปัญญาส่วนนั้นที่เรียกว่าสัมปชัญญะนะ ฝึกสมาธิจิตเข้มแข็งเข้มแข็งหนักหน่วงแน่วแน่ไว้ด้วยปัญญามันก็คมมันก็มีน้ำหนักปัญญามันก็ความคมสมาธิเหมือนกันน้ำหนักคงจะเข้าใจได้บ้งแม้จะคมเหมือนกับมีดโกนถ้ามันไม่มีน้ําหนักสมาเราจะกดลงไปมันก็ไม่ตัดแล้วมันตัดอะไรไม่ได้ ความคมมันก็ทำอะไรไม่ได้ทํามันมีน้ำหนักก็มีสมาธิเป็นน้ำหนักมันลงไปและสติ เ, เป็นผู้ใช้เป็นเครื่องใช้สมภชัญญาใช่ถูกเวลาใช่ถูกสัดส่วนใช่ถูกเหตุการณ์กรณีต่างๆนี่สีเกลอนี่ช่วยได้มากอย่างนี้ทำงานทีมเวิร์ก ถ้ามีแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่มีสติก็สาบล่ตกแล้วไม่ต้องสงสัยจะเรียนมากเท่าไรเท่าไรที่มีแต่ปัญญาไม่มีสติมันก็ต้องสอบล่ตกอยูน่นะฝึกฝนสติว่าให้มากพอแม้แต่เด็กเล็ก ๆ, ๆที่เป็นนักเรียนก็ฝึกฝึกสติไ ม, ม่มากพอเถอะมันจะจําเก่งคิดเก่งตัดสินใจเก่งและลึกอะไรได้ครอบครอบถ้วนถูกต้องถูกขุมรอบครอบ มีประโยชน์มหาศาลอย่างนี้เป็นสารพัดนึกใช้ในทุกกรณีไม่ว่ากรณีอะไรจะเป็นกรณีป้องกันกรณีต่อสู้กรณีแก้ไขกรณีเก็บรักษากรณีใช้ซ้อยก็ต้องใช้สติให้ถูกต้องถูกต้องมีสติแล้วก็จะปลอดภัยและมีความเจริญ เราจึงมีสติฝึกมีสติทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกมีสติทุกครั้งของการหายใจนี่เราฝึกฝึกฝึ ก, กที่จะฝึกนี่เราฝึกไปตามตรงควรมันก็เปลี่ยนนิสัยเป็นมีสติมีสติทุกครั้งที่หายใจเข้าออกได้จริงเหมือนกันกลายเป็นนิสัยไปเลยตอนนี้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึก มคือเป็นผู้มีสติมากพอมากพอเพียงพอที่จะดำเนินชีวิตปัญญานะมีคุณค่าทำหน้าที่แต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสจะเอามาใชา้พระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญานะดับทุกข์หรือแก้ปัญหาอะไรใดปัญญานะตรัสว่าปัญญานะ แต่รู้เถว่าปัญญาถ้าไม่มีสติมันไม่ได้มีโอกาสออกมาใชา่หรอมันไม่มีผู้ใช้ได้อีกนั่นฝึกให้มีผู้ใชาถ้าเรียมีทีมเวิกอย่างว่าในการฝึกอานาปานสติตามแบบนี้นยจะเป็นการฝึกคราวเดียวครบถ้วนทั้งสี่อย่างนงสมาสติก็มากขึ้น ปัญญาก็มากขึ้นสัมปชัญญะก็ไวขึ้นรอบครอบขึ้นสมาธิก็หนักแน่นมากขึ้นครอบทั้งสี่อย่างได้สิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ครอบทั้งสี่อย่างขอให้สนใจอขอทบทวนว่าอย่าเห็นเป็นไซยศาสตร์นะไม่ใช่เรื่องไซยศาสตร์ไม่ต้องอวนว่งสวงอ้อนว้อนไม่ต้องมอบกายถวายชีวิตแก่ครูบาอาจารย์อะไรก็อล คอยทำให้ถูกต้องเถิดนี่รวมเป็นวัฒนธรรมสุดยอดที่มนุษย์ก็เคยมีมาจากดึกดำบรรณโน้นเดี๋ยวนี้มันสูงสุดแล้วที่ในโลกที่แสนจะยุ่งยากคือโลกปัจจุบันนียจำเป็นที่สุดที่ต้องมีสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิโลกที่ยิ่งเจริญก็ยิ่งยุ่งยากยิ่งลำบากยิ่งสับสนการศึกษาที่ไม่มีธรรมะเข้ามาด้วยนี่มันไม่พอ จะมีความรู้เท่าไรมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันไม่มีสติแล้วลเป็นนั้นว่าได้บอกให้รู้อีกอย่างหนึ่งว่าอะไรความลับหรือเงื่อนที่เล่นลับบางอย่างบางประการที่มีอยู่เกี่ยวกับอนาปานสตินั่นนำมาพูดให้ฟังครบถ้วนครบถ้วน แล้ก็พูดมาตั้งสามครั้งสามวันนะล้วล ย, ยิงครบถุวนในหลายแง่หลายมุมครั <c oughs> ้งนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องทําอย่างไร <c oughs> <c oughs> ได้พูดถึงเรื่องว่าทําทําไมหรืออะไรคืออะไรนะั่นพอสมควรแล้วทีนี้ก็จะได้พูดกันถึงว่าทําอย่างไรนี่จะต้องขอที่โอกาสพูดคราวเดียวทั้งคณะ คุณเลยภิกษุที่เขาจะฝึกด้วยไม่งต้องพูดสองคนก็พูดไม่ไหวแล้วก็มาพูดไม่ได้วันนี้ขอยุติการบรรยายโดยการบอกถึงเงสิ่งเล่นรับบางประการเกีย่ยวกับอานาปานสติที่ควรทราบขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้